ว, วันนี้อยากจะมาฟังเรื่องอะไระ ม, มีอะไรอยากจะฟังไหมวันนี้เรือ่องอะไรก็รู้บอโยมโยมแม่ไม่เชื่อว่าการปฏิบัติได้มากกว่าการทาบุญเจ้าค่ะอยากไ้แล้วก็ให้เทศน์ต่อยมแม่ด้วยจ้ค่ะเต็ม <c oughs> <c oughs> ว่าโยมแม่ไม่ปวจมนณฑุค่ะแล้วก็ไม่ปฏิบัติด้วยอืโยมแม่บอกว่าทําบุญเยอะแล้วออสงบ้างคระไปไหว้กันศีลอะไรแล้วแต่ทุกอย่างโยมแม่บอกว่าทําเยอะแล้วแต่จริงจริงแล้วบอกโยมแม่ว่าการปฏิบัติได้มากกว่าจะทางโยมแม่ไม่เชื่ค่ะไม่เชื่ออ๋ไม่ไหว พอไม่ไหวไม่ไหวบางทนอนปฏิบัติก็ได้โยมถ้าไม่ไหวนอนปฏิบัติก็ได้นอนสวดมนต์ก็ได้ถ้านั่งไม่ไหวก็นอนก็ได้คือบุญมันที่เกิดจากการปฏิบัติมันทำให้เรามีความสุขมากกว่าบุญที่เกิดจากการทาทาน ทำทานนี่เราได้ปุ๊บเดียวเวลาเราไปทำบุญเราก็มีความสุขยังมาตอนนี้ก็มีความสุขทำบุญมันได้น้อยกว่ า, ว ป, าปฏิบัตินี่มันเราทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอปีหนึ่งถอดกระถินสักครั้งหนึ่ง <c oughs> อันนี้เราทำได้ทุกวันทุกเวลา เวลาใดเราไม่สบายใจเราสวดมนต์ไปเราก็สบายถ้าเราจะมารอทำบุญรอทอดกระถินแล้วคอยสบายใจทั้งปีก็ไม่สบายใจไปทั้งปีใช่ไหม ห, หัดสวดมนต์ไปหรือหัดพุทโธไปครับเดียวนี่ยหละไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องสวดมากก็ได้ให้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไร นอนพุทโธก็ได้นั่งพุทโธก็ได้ท่านอยู่บน <c oughs> เวลาไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็สบายบงีนอน ก, ก็พุทโธพุทโธ อ, อันนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่ยากกว่าการทำบุญถวายของ ถวายของเขาคว้าเงินมาซื้อของแล้วก็มาถวายก็เสร็จแล้วแต่ที่จะพุทโธนี้มันต้องทำทั้งวันทาไปเรื่อยจริงมันไม่ยากเพียงแต่เราไม่เคยทำเราคิดทั้งวันทาไมคิดได้ใช่ไหมคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดอยู่ทั้งวันพอจะเอามาให้คิดถึงพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดไม่ออก เพราะว่ามันไม่เคยมันเคยคิดมันชอบคิดเป็นเรื่องๆคิดเป็นเรื่องๆแล้วมันมันดีคิดแล้วมันมีดีใจมีเสียใจมีวิตกมีกังวลเหมือนกับดูละครเนี่ยมันมีหลายรสหลายชาติพอให้มาดูพระเทศน์นี่มันไม่มีหลายชาติมันมีชาติเดียวรสชาติเดียว รถแห่งธรรมแต่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงถ้าทำใจให้สงบได้ถ้าตั้งใจฟังทมไปเรื่อยๆใจก็จะสงบแล้วก็มีความสุขแต่ใหม่ๆมันสงบยากเพราะมันไม่ยอมมันฟังไปมันก็คิดไปบางทีฟังไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่สงบ ถ้ามันตั้งใจฟังจริงๆแล้วไม่ไปคิดเรื่องต่างๆเดี๋ยวมันก็สงบสงบแล้วมันจะมีความสุขมากกว่าดูละครดูกับฟังเพลงอันนี้เรายังไม่ได้สัมผัสกับความสงบจริงๆถ้าได้สัมผัสกับความสงบจริงๆแล้วเราจะไม่รู้เราจะไม่อยากได้อย่างอื่นเพราะเราได้ของที่ดีกว่า ของดีกว่ามีอยู่ในตัวแล้วเรากลับไม่รู้เรากลับไปหาของที่เลวกว่าที่อยู่นอกตัวเราไปหาเงินทองไปหาสิ่งของต่างๆไปหาคนนั้นหาคนนี้ล้วก็ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะของเหล่านั้นมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลาไปก็เสียใจ เวลาอยู่ก็กังวลว่ามันจะไปเมื่อไหร่กลัวมันจะไปกลัวมันจะหายกลัวจะจากเอาไปของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์มากกว่าแต่ของที่เป็นความสุขในตัวเราเรากับไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเรามีของที่ดีอยู่ในตัวเรา เราไม่ต้องไปหาของข้างนอกตัวเราแล้ว่าของในตัวเราตอนนี้มันถูกถูกความหลงมันปิดเอาไว้เราต้องเปิดมันขึ้นมาเอาความหลงออกไปความหลงนี้ต้องเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามามาเปิดเราต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ศึกษาเพื่อให้เรารู้ไม่ให้หลงไปกับสิ่งต่างๆตอนนี้เราหลงกับเงินทองใช่ไหมหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสหาแต่เงินหาทองหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสหาแต่คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้พราะเราคิดว่าหามาแล้วเราจะมีความสุขกันแต่เวลาเกิดความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้เรากลับมองไม่เห็น เวลาเสียของเสียของไปเสียคนไปเสียเงินไปก็ร้องห่มร้องไห้กันนะต้องถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เริ่มคิดเป็นมองเป็นมองว่าเออเวลาเราไม่สบายใจเราเสียใจนี่มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากของที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ะ เราเคยเสียใจกับแฟนไหมเราเคยทุกข์ใจกับแฟนไหมถ้าแฟนเราเป็นความสุขทำไมเราต้องมาทุกข์กับเขาด้วยถ้าลูกเราเป็นความสุขทำไมเราต้องมาทุกข์กับลูกเราด้วยเราคิดไม่เป็นกันเรามองไม่เป็นกันเรามองแต่สุขแต่เราไม่มองเห็นทุกข์กันเราก็เลยเดินเข้าหาความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆ น้ห่มน้องห้งหายกันอยู่เรื่อยๆเสีย อ, อกเสียใจกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรามองไม่เห็นความทุกข์เราไปเห็นความสุขของเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่เราจะเอาสุขอย่างเดียวไม่ได้เอาสุขก็ต้องเอาทุกข์ด้วยของที่มีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ก็คือความสงบเนี่ยที่เรา ได้จากการปฏิบัติธรรมแต่ก่อนจะได้มันต้องผ่านความทุกข์ก่อนเดึกไม่มีใครชอบปฏิบัติกันไม่มีใครชอบพุทโธพุทโธกันชอบคิดหาเงินหาทองหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้คิดแล้วมันมีความสุขมากกว่าคิดอยู่กัาคำว่าพุทโธพุทโธ แต่มันไม่เห็นว่าเวลาที่เสียสิ่งที่ได้มามันทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ตอนที่เสียสิ่งที่เราไปหามาถ้าเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธใจเราก็จะไม่ไปหาอะไรใจเราก็จะนิ่งจะเย็นจะสงบมันจะสบายนี่คือพุทธโธสติ พุโทโธก็คือสติสติก็คือธรรมที่จะหยุดความคิดของเราถ้าเรามีสติเราก็จะรู้เฉยๆรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้แต่ไม่ไปคิดอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้รู้เฉยๆเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉย แต่ถ้าเราไปคิดชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราก็เสียใจเวลาเราชอบอะไรเราก็อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราเป็นของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันมีมามันมีไปกันมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไป พวเรานี่เดี๋ยวก็ต้องจากกันนะไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดเดี๋ยวคนที่มีอายุมากกว่าก็ไปก่อนแต่บางทีก็มีพวกใจร้อนแซงคิวไปก่อนก็มีแต่ถ้าพูดตามลำดับก็ใครมีอายุมากกว่าก็ไปก่อนเหมือนถือบัต ร, ต ร, ค, ตรคิวเลขที่อ ถึงก่อนใครถึงใครถือเบอร์หนึ่งก็ไปก่อนใครถือบอสองก็ไปต่อแต่บางทีก็มีพวกแซงคิวถือเบอรบ์แต่แซงคิวพวกเบอร์สมบอรสไปก็ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ไปเนี่ยไปแน่แไปด้วยกันทุกคนเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของพวกเรา ร่างกายของพวกเรานี้มันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันมีมาแล้วก็ต้องมีไปของต่างๆที่เราได้มาก็เหมือนกันมีมาแล้วก็มีไปดังนั้นเราถ้าเรามาฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าเรากำลังหาความทุกข์กันไม่ใช่หาความสุขกันเราจะได้อยู่หาสิ่งต่างๆ แล้วเรามาหาความสุขในตัวเราดีกว่ามาหยุดความคิดหยุดความอยากมาสร้างพุโทโธกันพอเรามีพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเราก็จะเย็นจะสวายจะสบายใจจะว่างจากความคิดจากความอยากเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งต่างๆ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พ, พุทธเจ้าตอนต้นท่านก็เหมือนพวกเราท่านก็หลงเหมือนพวกเราท่านก็มีมีสมบัติต่างๆเป็นราชกุมารมีมีมีสมบัติน่าจะสมบัติแต่วันหนึ่งก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็มองเห็นตัวเองว่าต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมบัติต่างๆก็จะต้องหมดไปเวลาจะจากสมบัติไปเวลาจะจากร่างกายไปนี่มันทุกข์มากเพราะผมก็เลยไม่อยากจะต้องทุกข์กับเรื่องราว น, านี้ก็เลยหาทาง ว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์ก็ไปเห็นนักบวชเห็นพระนักบวชก็ทราบว่าเขาเป็นผู้แสวงหาทางที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆท่านก็เลยทิ้งสมบัติไปเป็นนักบวช แล้วก็ไปหาวิธีทำใจให้มีความสุขหาความสุขในใจก็ไปใช้พุทธโธพุทธโธเนี่ยพุทธโธไปทั้งวันจนในที่สุดใจก็ว่างเยน็นสบายสงบมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่ในวังมีความสุขมากกว่าตอนที่มีราชสมบัติต่างๆเนี่ยคนที่ไป บวชแล้วเนี่ยเช่นมีเศรษฐีคนหนึ่งไปบวชพอบวชแล้วทําใจให้สงบได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้ก็มีแต่ความสุขก็เดินไปไหนก็ชอบผู้วนสุขเนาะสุขเนาะสมัยเราเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากมายกว่าตอนนี้ตอนนี้เราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว แต่ทำไนตอนนี้เราสุขมากกว่าตอนที่เรามีเงินทองเพราะเงินทองมันเป็นทุกข์อ่ะ ม, มันทำให้เรายึดเราติดทำให้เราลากเราหวงทำให้เราหวงนี่แหละมันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไปหาความทุกข์กันเพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุขตอนนี้เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราถ้าฉลาดนัดเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนเป็นความจริงเราก็ต้องมาเปลี่ยนการหาสิ่งต่างๆ เหาเงินทองเลือกหาลาบยศสรรเสริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วมาหาความสงบกันมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธกันทําแค่คําเดียวนี่แหละทั้งวันทําดูสิเราทําดูตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปจะทําทอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธ แต่งเนื้อแต่งตัวกับพุโทโธรับประทานอาหารกับพุโทโธทำงานไปกับพุโทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดกับการทำงานก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวพอไม่ต้องใช้ความคิดกับงานการก็กลับมาพุโทธโธพุทโธอย่าไปคิดถึงเงินทองอย่าไปคิดถึงขนมนมเนอยอย่าไปคิดถึงกระเป๋าอย่าไปคิดถึงเสื้อผ้ารองเท้า อย่าไปคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่าไปคิดถึงสินค้าต่างๆเพราะาคิดถึงเรื่องราวนี้มันจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาอยากได้เพราะคิดว่าได้แล้วมาจะมีความสุขก็ต้องไปหาซื้อมาจะหาซื้อมาก็ต้องไปหาเงินก่อนอก็จะทำให้เรา หาเงินหาทองหาซื้อข้าวหาซื้อของไปได้มาล้วเดี๋ยวก็เบื่อก็หาใหม่ของที่ได้มาแลเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อแล้วก็หาใหม่หาใหม่นอกเดี๋ยวก็เบื่อก็หากันมาเรื่อยเื่ยเนี่ยตั้งแต่เราหาเงินหาทองได้เนี่ยเราหยุดซื้อของซื้ออะไรไม่อยาง <S <S ซื้อมันเรื่อยใช่ ทั้งๆี้มีเหลือกินเหลือใช้ก็ยังไม่ไม่หยุดซื้อกันเสื้อผ้ามีกี่ชุดนะกระเป๋ามีกี่ใบนะรองเท้ามีกี่คู่นะมันก็ซื้อไปเรื่อยๆเพราะเวลาซื้อมีความสุขนะพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็เบื่อมันละต้องซื้อของใหม่เรื่อย ก็ทําให้เราต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองทํางานแทบเป็นแทบตายก็เพื่อมาซื้อของแป๊บเดียวซื้อแล้วก็เบื่อหรือไม่ซื้อก็ไปเที่ยวไปเที่ยวปั๊บมันก็หมดละไปดูหนังแป๊บกลับมามันก็หมดแล้ะความสุขได้ร่าจากการดูหนังแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วไปเที่ยวผับเที่ยวบารนะ์แปบ๊บเดียวกลับมาก็เบื่อละก็หมดละ เนี่ยเป็นเหมือนยาเสพติดของพวกนี้ต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ไปก็หงุดหงิดใช่ไหมอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปทำอะไรก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธได้นี่เราไม่ต้องเราไม่อยากไปไหนอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุข ไม่ต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมาให้เราเสพนี่คือวิธีแก้โลกติดยาเสพติดกันพวกเราเป็นเหมือนพวกติดยากันต้องมีนั่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะเลิกเสพเราต้องใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล่วเดี๋ยวมันจะหายไปเองมันจะไม่อยากเสพอะไร อยู่เฉยๆก็มีความสุขเราก็จะไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไม่ว่าจะอยากได้มาหรือไม่หรือไม่ว่าจะกลัวมันจะจากเราไปหรือไม่เราจะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขในตัวเราเราไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา ตอนนี้เราต้องมีแฟนกันใช่ไหมเพราะเราเวลาไม่มีแฟนรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขพอมีแฟนก็มีความสุขแต่เวลาแฟนไม่อยู่ก็เราก็ทุกข์อีกแล้วแฟนกับเราก็ต้องจากกันวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ววันนั้นก็เจอความทุกข์กัน แต่ถ้าเราไม่มีแฟนเราก็จะไม่มีทุกความทุกข์กับแฟนเลยไม่ว่าแฟนจะอยู่หรือแฟนจะไม่อยู่เราก็จะไม่ทุกข์เราจะอยู่แบบไม่มีแฟนได้เราก็ต้องอยู่เราต้องมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรแล้วใจจะไม่มีความอยากเถ้าไม่มีความอยากก็อยู่คนเดียวได้ อยู่แบบไม่มีอะไรได้แต่พอคิดแล้วมันก็อยากขึ้นมาเห็นเขามีเงินก็อยากจะมีเงินเหมือนเขา mm. <classmates. S 2> เห็นเขามีเงินซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรได้ก็อยากจะซื้อเหมือนเขาแต่ซื้อมาแล้วก็เท่านั้นได้มาแล้วก็เท่านั้นเหมือนเดิมได้มาแล้วก็ไม่พออยู่ดีต้องซื้ออีกอยู่ดีซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ เวลาไม่พอมันก็ต้องดิน้นแต่ถ้ามีพุโทโธแล้วมันจะพอถึงแม้ไม่มีอะไรเลยมันก็พอเพราะความพออยู่ที่การไม่มีความอยากการที่จะไม่มีความอยากก็ต้องหยุดมันด้วยพุโทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธไป้มันจ็มันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พอไม่ได้คิดถึงมันก็ไม่มีความอยาก อย่างตอนนี้เราไม่มีความอยากกับอะไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆตอนนี้กำลังฟังธรรมะอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าไปคิดถึงขนมก็อยากจะหาขนมกินเดีย๋ยวถ้าไปคิดถึง อ, อะไรรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาดัางนั้นเราต้องหยุดความคิดที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นลส ที่จะไปหาราบยศสรรเสริญกันให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วจะมีความพอถ้าพอแล้วก็ถือว่าเราอิ่มแล้วเรามีเต็มที่แล้วถ้ายัางไม่พอต่อให้มีเต็มบ้านมันก็ยังยังไม่มันมันก็ยังไม่อิ่มความอยาก ว่ามีความอยากหรือไม่มีความอยากนะถ้าไม่มีความอยากใจก็จะอิ่มถ้ามีความอยากใจก็จะหิววิธีที่จะทำให้ใจอิ่มก็เลยต้องอย่าให้มีความอยากวิธีจะไม่มีความอยากก็ต้องอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆพอคิดถึงข้าวปั๊บมันก็หิวขึ้นมามนที มันคิดถึงข น, นมปักก็อยากจะกินขึ้นมาทันทีถ้าคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็จะอิ่มสบายนี่แหละอาหารใจคือพุโทโธสิ่งที่เราเอาไปเอามานี่ไม่ได้เป็นอาหารใจมันเป็นอาหารของร่างกายเช่นขนมกับข้าวกับปานี่กินอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายบอกไม่ไหวแล้วน้ำหนักเกินแล้ว กลายเป็นตุ่มไปแล้วก็ on ยังให้มันกินอยู่นั่นนะเพราะใจหิว right? แต่เวลาใจหิวใจกลับไปป้อนให้ร่างกายแทนที่จะป้อนให้กับใจกลับไปป้อนให้ร่างกายใจก็เลยไม่เคยอิ่มต่อให้ได้กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินอิมออย่างเงี้ยเดี๋ยวพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินขึ้นมาเห็นเวลาใจหิวต้องป้อนด้วยพุทโธ พออยากจะกินอะไรปั๊บพุทโธพุทโธเลยเหมือนเวลาเด็กเล้องก็เอานมให้มันกินไงเวลาใจหิวใจอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็พุทโธพุทโธไปพุทโธไปนจนกว่ามันจะอิ่มมันจะหยุดหายมันจะหยุดความอยากมันจะหยุดอยากพอความอยากหายไปมันก็อิ่มอ่านี่คือวิธีให้อาหารใจ ให้ความสุขกับใจใจก็คือตัวเรานี่แหละเวลาเราอยากได้อะไรก็ให้พุโทโธมันอยากไปซื้อของมาพอซื้อมาก็มันเป็นของร่างกายไปมันไม่ได้เป็นของใจซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อให้ร่างกายใส่ใจไม่ได้ใส่ซื้อแหวนซื้อสร้อยซื้อนาฬิกามันก็ให้ร่างกายไม่ได้ให้ใจใจไม่ได้อะไรเลย ถ้าอยากจะซื้อของให้ใจต้องซื้อพุโทโธองพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวแล้วใจจะอิ่มใจจะมีความสุขอันนี้แหละคือเรื่องของการปฏิบัติที่จะทำให้ใจของเรานี้มีความสุขอย่างเต็มที่ที่จะทำให้เรานี้สบายไปตลอด เวลาเราเสียอะไรไปเราจะไม่เสียใจเลยเพราะเราไม่ได้อาศัยสิ่งต่างๆแล้วตอนนี้เราเสียใจเพราะเรายังอาศัยเขาอยู่เวลาเสียแฟนไปก็เสียใจแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่ต้องการแฟนเราไม่ต้องมีแฟนแฟนจะไปแฟนจะตาย เราจะไม่รู้สึกเสียใจเงินทองจะหมดไปเราจะไม่รู้สึกเสียใจเพราะเราไม่ต้องใช้เงินทองซื้ออะไรใจเราอิ่มแล้พอแล้วนะก็บอกนม่นะ่ว่าเนี่ยปฏิบัติมันดีอย่างนี้ไม่ต้องหาเงินหาทองไปทําบุญนะไม่มี พุทโธคำเดียวไม่ยากตรงไหนเลยนางคิดได้ทั้งวันทำไมคิดพุทโธไม่ได้พุทโธก็เป็นความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่จะทำให้ใจอิ่มถ้าคิดอย่างอื่นจะทำให้ใจหิวคิดถึงขนมก็จะหิวคิดถึงอาหารก็จะหิวคิดถึงเครื่องดื่มก็จะอยากดื่มคิดถึงบุหรี่ก็อยากจะสูบคิดถึงจุราก็อยากจะดื่ม คิดถึงภาพยนต์ก็อยากจะไปดูมันจะมีแต่ทำให้หิวเทานแต่ถ้าคิดถึงพุโทโธแล้วมันจะไม่หิวกับอะไรมันจะอิ่มแล้ลองไปฝึกพุโทโธดูคำเดียวสั้นะโยมนอนพุโทโธก็ได้ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาก็ได้ทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปใช่ ไ, ไม่เนี่ยพอคิดถึงโทรศัพท์มันก็อยากจะเปิดดูแล้ว โทรศัพท์มันมาปับ๊บเสียงโทรศัพท์มาปับ๊บมันก็มันมันก็อยากจะรู้ว่าใครโทรมานะอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะนี่ถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้คงรับเปิดแล้วเนี่ยเวลาโทรศัพท์มาก็พุดโทรพูดโทรไปเอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลืมไม่ตายหรอกไม่ได้รับโทรศัพท์คนโทรมาก็ไม่ตายคนรับก็ไม่ตาย ส่วนใหญ่คนโทรมามักจะมาขอเงินมากกว่ามาให้ของเราเนะีเวลาเขาไม่เดือดร้อนก็ไม่โทรมาหรอกมีแต่เวลาเขาเดือดร้อนเขาถึงจะโทรมาหาเราพี่มีเงินไหมขอยืมหน่อยพี่พรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าพาผมไปนู่นไปนี่หน่อยนะะอย่าไปสนใจโทรศัพท์ ป, ปิดมันดีกว่าไว้เวลาเราอยากจะใช้เขาเราค่อยโทรออกเปิดค่อยโทรไปเลยนะงั้นเปิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาขอนู่นขอนี่ตลอดเวลา ไม่มีใครโทรมาบอกพี่ผมมีอยู่พันหนึงพี่มาเอาหน่อยได้ไหมเราอยากให้แม่ปฏิบัติแล้วตัวเราปฏิบัติหรือเปล่ า, ป ฏ, า, า, าปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะทำยังไงบ้างอะปฏิบัติพี่ไะก็เช้าก็สวดมนต์เดีกก็สวดมนต์แล้วก็ เนจงกร ม, ม็ด้นั่งสมาธิอย่างละขึ้นชั่วโมงเจ้าค่ะอ๋อแต่เวลาอื่นไม่ทําเลยก็ทำทุกวัเจ้าค่ะเ อ, อเวลาอื่นก็ทําได้เวลาไม่สวดมนเวลาไม่เดินจงกบก็ยังพุโทโธได้อย่เลยก็ถึงเวลาขายของนี่ลืมหมดเลยเจ้ า, าค่ะใช่ขายของจะคิดแต่การธุระขายอย่างนี้เวลาทํางานก็ต้องหยุดแต่เวลาว่างก็ควรจะพุโทโธเสริม แล้วเป็นไงอยากจะหยุดทำงานนะั่นอยากจะมามาปฏิบัติมากขึ้นไหมอยากปฏิบัติจะพค่ะแต่ก็ต้องทํามันหน้าที่กายไงยก็ต้องทําทุกวันก่อนอืแล้วแม่คิดว่าจะต้องหยุดสักวันยังไงหยุดอยู่ค่ะเดี๋วจะไปปฏิบัติที่วัดอัมพวันนีเจ้าค่ะอพอดีจะไปขอเข้าคโครงการมุทิตาเคยไปหรืยอยังยจะลองปฏิบัติคอร์สเข้มดูเจ้าค่ะเคยไปหรืยอยัง ไปมาหลายครั้งแล้วเจ้าค่ะไปไปบ่อยไหมไปปีละสองครั้งเจ้าค่ต่อไปลองไปเดือนละครั้งดูไหมปีละสองครั้งก็ดีงานที่บ้านมันจะต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะค่ะก็ให้คนอื่นเขาทำแทนมากไม่ได้เราไม่คิดว่าสักวันเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทาไม่ได้บางะ ต้องหาตัวตายตัวแทนบ้างเลยเราจะได้มีเวลาไปได้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นซูเปอร์แมนเราทําได้คนเดียวคนอื่นก็ทําไม่ได้แล้วก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติเราต้องฉลาดต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าให้ใครทําแทนได้ก็ให้เขาทำไปเถิดเราจะได้มีเวลาว่างจะได้ไปปฏิบัติมากขึ้น ว่าการผลที่ได้จากการปฏิบัตินี่เราเอาไปได้นะแต่ของที่ผลที่ไดจากการขายของนี่เราไปไม่ได้นะเวลาเราตายไปเงินทองที่เราหามานี่เราไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่ความสงบหรือสติท kind of ี่เราไปได้จากการปฏิบัตินี่เราเอาติดตัวไปได้เราไปทำต่อได้ไปเกิดชาติหน้าเราก็จะได้ ไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์แต่ถ้าเราเอามวัวแต่หาเงินหาทองเวลาตายไปเรากลับมาก็ต้องมาเริ่มที่ศูนใหม่มาเริ่มหาเงินหาทองใหม่แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิเรากลับมาเราก็ทําต่อได้เลยจะได้ไปถึงนิพพาน เพยายามหาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากหาเงินหาทองให้น้อยลงไปใชใ้มันน้อยๆเลยใช่ใไม่เยอะเจ้าค่ะ <c oughs> แต่เราจะต้องทำเส้น <c oughs> ขาไม่ดีก็ยังต้องทำเลยเจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้ปีนี้รู้สึกว่าขาเถอะไม่ดีเลย <c oughs> มันมกำลังบอกเราเลยบ่อยๆ่ะ ก็ไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละมันกำลังบอกว่าไม่ไหวแล้วยังไม่ใช่มันอีกแต่ก็ต้องคนทําไม่มีคนทําให้ไม่มีลูกไม่มีเต้าเนยเจค่ะอือตอนนี้เราจะถ่ายเนี่ยลบไปการปฏิบัติ เวลาที่เรากำหนดพองยุบกน่คจะพาอะตอนหลังนี่มันไม่ค่อยนิ่งเลยจค่ะเพราะว่าเราค้าขายเยอะแล้วเราคิดการค้ายเยอะอยังไงก็ไม่ได้าใช่มันไม่ได้มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ได้สร้างสติขึ้นมาไงมันไม่ค่อยนิ่งเลยเมืออ่อก่อนคือพองพองยุบนี่มันซื้อพุทโธไว้ได้ยุบหนอพองหนอนี่มันต้องไม่ได้ทำอะไรถึงเงี้ยจะยุบหนอพองหนอได้แต่พุทโธนี่มัน ใช้ได้ตลอดเวลาทําได้ตลอดเวลาแม้แต่เวลาขายของนี่ก็ยังพูดโทรได้เวลาช่วงนี้ไม่มีลูกค้าเราก็พูดโทรไปเลยเวลาลูกค้ามาเราก็อยู่พูดโทรพุทธโทรกำหนดตรงไหนเจ้าค่ะตรงหนวดที่พูดโทรนะไม่ต้องไม่ต้องที่ยื้เอาที่คําพุดโทรท่องไปเียเหมือนสวด ม, มนต์ไม่ต้องดูลมอะไรเหมือนสวดมน์ไง พุทโธไปอย่างเดียวอให้จิตนิ่งไหมพอจิตพอมีพุทโธจิตมันก็คิดไม่ได้พอไม่คิดไม่ได้มันก็นิ่งมันไม่ต้องมีอะไรคาจะอยู่กับคําว่าพุทโธให้นึกแต่คําว่าพุทโธไปทําอะไรก็พุทโธได้อย่างที่เมื่อกี้บอกอาบน้ําก็พุทโธไปกินข้าวก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปไม่ให้หดูไปคิด ส่วนใหญ่เราทำสองอย่างนี่นั่งกายกินข้าวแต่ใจก็ไปคิดถึงงานละคิดว่าจะไปซื้อของมาละซื้ออะไรขาดอะไรต้องแต่ร่างกาย ค, คิดเรื่องอื่นเราอย่าปล่อยให้มันไปคิดให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าเรามีพุทโธตั้งวานเวลานั่งยุบเนอพองหนอมันเดี๋ยวเดียวก็สงบที่มันไม่สงบเพราะมันไม่มีสติ กำลังไม่พอมันไม่ยอมอยู่กับยุบหนอฟ้องหนอใช่ไหมยุบหนอปับ๊บเดี๋ยวก็ไปเรื่องงานแล้วออขนาดสวดมนยังตรวจสว ด, สว ด, สวดไปใจยังไปนึกถึงนู่นนี่ตลอดเลยนะคะเอาพุโทโธสวด ม, มนก็ได้สวด ม, มนก็ช่วยสวดในใจไปก็ได้เช่นเวลาเราทํางานทําอะไรเราสวด ม, มนไปภายในใจก็ได้แต่ดูสิว่ามันจะสวดได้หรือเปล่า ส่วนมันต้องมีสติมากเหมันเยะส่วนได้เดี๋ยวเผลอว่สวดถึงไหนแล้ววะพอคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้บางทีก็ลืมไปละสวดเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราสวดได้ต่อเนื่องมันก็สแสดงว่าเรามีสติควบคุมใจได้ถ้าสวดแล้วไม่ต่อบปุ๊บหายไปละไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดง ว, ว่ายังควบคุมใจไม่ได้ เดินจงกรมเดินจงกรมใช่คะต้องกําหนดแบบไหนก็เหมือนกันก็ถ้าเราใช้พุทโธก็พุทโธไปเรื่อยเดินก็เดินไปการเดินนี่เดินเพื่อให้เราเปลี่ยนเอริยาบทเนี่ยเวลาเรานั่งนานๆแล้วมันเมื่อยเราก็ลุกมาเดินแต่ใจเราก็ยังอยู่กับพุทโธไปอยู่กับบทสวดมนต์ไปคือมันมีหลายวิธีจะเปลี่ยนจากพุทโธมาดูที่เท้าก็ได้เด่นก้าวหนอวางหนอ แต่ไม่ต้องมาหนอเราเดินไปแล้วก็รู้ว่ากําลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปก็พอซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้รู้ว่าเรากําลังเดินเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, นี้ให้จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวจดจ่ออยู่กับพุโทโธหรือจดจ่ออยู่กับเท้าก็ได้เดินไปก็ซ้ายไปขวาไปแล้วเดินไปก็พุโทโธไป ก้าวเท้าซ้ายกับพุทโธก้าวเท้าขวากับพุทโธไปหรือไม่ต้องไปผูกมันติดกันก็ได้เดินไปแล้วก็ให้มีพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้คือข้อสําคัญอย่าให้มันไปคิดพอมันไปคิดก็ดึงมันกลับมากลับมาหาพุทโธพุทโธหรือถ้ามันจะมาแข่งกันเราพุทโธอยู่มันก็แทรกเข้ามาเราก็อย่าไปสนใจเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธของเราไปเรื่อยๆ เวลาเราขับรถไปรถจะมาะแทรกทางซ้ายแทรกทางขวาก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ขับของเราไปไดไ้เราต้องการให้ใจเรานิ่งต้องการให้ใจเราตั้งมั่นไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราจึงต้องมีพุทโธหรือมีบทสวดมนต์สวดไปเพื่อจะได้ดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่อง ที่จะทำให้ใจเราวุ่นวายเรื่องที่จะทำให้ใจเราวิตกกังวลเรื่องที่จะทำให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลองลองดูแต่ลองพุโทโธพุโทโธไปพอเวลามีต้องใช้ความคิดกับการการก็ใช้พุโทโธไปแล้วเวลานั่งมันจะสงบ แล้วนั่งจะดูยุบหนอะพองหนอไปก็ได้จะพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้เนี่ยสมมุตินั่งเนี <lang> <ngày> ่ยแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแค่นั้นเองไม่ต้องดูลมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอยู่คําว่าพุทโธอย่างเดียวะท่องไปเรื่อยๆในใจไม่ต้องออกเสียงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็จะสงบ ง่ายจะตายไปเราชอบไปทำให้มันยากเองก้าวเนาะยกหนาวางหนาโอ้ยพอดีปวดหัวพอดีจะยุบหนาททองเนาไม่ต้องไปท่องแล้วหรอกเวลาดูลมนี่คให้ดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออก ให้รู้แค่นั้นให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีเรื่องทําอยู่เราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ใช่มถ้าเราทํางานเราก็จะไปคิดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องไปซื้อไปซื้อข้าวซื้อของอะไรไม่ได้เราก็อยู่กับงานอย่างเดียวถ้าเราอยู่กับลมเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ เราอยู่กับพุทธโธเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ลองไปปฏิบัติชวนแม่ไปด้วยสิไปไปว่าอัมพรวันแม่เป็นเพื่อนหนูหน่อยไม่ได้เจะพาอยู่แม่จะยก <c oughs> อาคเวันก่อนเป็นดับนะก็ชวนสวดเวลาเราสวดก็ชวนสวดด้วยกันเลยไม่ดี อยู่คนละบ้านเนี่ยะคอ๋อยู่คนละบ้านเลยดิอยู่นาเกือนก็อยู่บงดาอ๋อนาเกือที่พระเทียนี่แหละอ๋ออยู่ตรงไหนตลาดใหม่ตลาดใหม่ตลาดใหม่เมื่อก่อนตอนที่เราบวชล้วก็อยู่ที่ตลาดใหม่เหมือนกันอยู่ที่นาเกืออยู่ตรงทัาข้างซอยไปชนีท่านว่าบ้านใครนะบ้านเราเนี่ย ตัวพระเนี้ยตอนก่อนจะบวชเนี่ยอยู่ที่อยู่ตลาดใหม่นี้แหละอ่าอ่าอยู่เมื่อก่อนไปลยโรงแอันนั้นก็เป็นเป็นบ้านใหม่ตอนนี้แม่เขาอยู่ตอนนี้แต่เมื่อก่อนนี้ตอนที่เรายังไม่ได้บวชก็อยู่ซอยข้างไปเส้นห้ายเข้าอยู่ในบ้านบ้านอุ้งไร่ก็ไปอยู่ที่คอนโดแล้วเนี่ยนี้ย้ายไปคอนโด คอนโดข้ามถนนไปทางทางบ้านจะขายรู้จักกันนะรู้จักกันนะรู้จักกันดีใช่ไหมรู้จักต่างสาวจังปีนี้เกดมมากใช่เี๋ยในปีนี้แปดสิบเก้าและแปดสิบเก้าแปดสิบเก้า ตังอนอยู่นี่ก็ยังมาตลาดเข้าตลาดอนอยนะยมเชื่ออะไรงมีคนจูยอมชื่ออะไรนะอะไรคะยมเชื่ออะไรชื่อฮวนค่ะฮวนขายของตลาดใหม่มาตั้งตั้งตลาดใหม่เริ่มบอวันเอเนี้ยอยู่เนี้ยเลยมา เรไม่เลนไม่ไขายแล้วขายไม่เป็นขายไม่ ไ, ไมหวขายไม่ไวแนละ้วไม่ขายเพื่อของชั้นไหนเนี้ยอะไรอะไรก็จะให้ส่งถึงบ้านไม่ไหวอ่านั่นนี่ให้ขายแทนนะให้ลูกให้ลูกสาวอ๋อก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะอยู่ในตลาดใหม่นี่แหละ คิดว่าวันนี้พอเวทสมควรจะให้พอนะเร า, าอยมอายุเท่าไหร่แล้วล่ะจะย่างแปดสิค่ะอ้าย่างแปดสิบวันนี้วันนี้วันน ว, นนวันเกิดอ่ะเป็นวันเกิดอยู่เขาต้องมาหา่ขอให้อยู่เกินร้อยนะ <c oughs> อยู่ให้เกินร้อย โอ้คงจะยืดไม่ไหวนะอีกวันนี้ยังไม่ไหวถึงเวลางงหัวขึ้นมาใครจะไปก็ไปได้นะอยู่ก็ได้ไปก็ได้มีอะไรก็เปล่า ช่วงนียมโทรสาแรงมากเลยค่ะขี่โมโหโมโหเพราะความอยากไงอยากมากยิงยก่งอยากก็ยิง่งโมโหง่ายใช่ค่ะต้องอยากให้มันน้อยต้องเอาเอาอดทนดมากเลยค่ ะ, อะเอายินดีตามมีตามเกิดตามีตามเกิดแต่ที่มันไม่ได้ดั่งใจอะค่ะนั่นแหะสิมันถึงโกรธเนี่ั่นถึงบอกว่าตามมีตามเกิดได้ไงก็เอาอย่างนั้นได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมันทําใช้ลำบาก ก็ไม่พูดโทเลยใจมันเลยอยากมากถ้าเราพูดโทพูดโทอยู่แล้วมันจะทําให้ความอยากมันลดลงได้พ<ต>ยายามน้อยที่สุดเลยนะคนั่นแหละเบรคน้อยไงมีแต่เหยียดแต่คันเร่งเหยียดแต่ค <c oughs> ันเร่ง <c oughs> มันก็เลยชนแหลกเลยอ <c oughs> แล้วก็เลยโกรธง่าย <c oughs> งั้นพยายามลดความอยากลง <c oughs> วิธีลดก็อย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆ พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ยินดีตามมีตามเกิดไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวเขาฟังผิดไปเอาข้าวผัดมาให้ก็ไม่เป็นไรกินได้อันนั้นมันก็จบนะกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มกินข้าวผัดก็อิ่มเหมือนกันไปกดทําไมกดให้มันเจ็บเจ็บใจไปกว่า บางทีบบนึกุ๊บดไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะนั่นแหละเราต้องมาฝึกสติกันนะนะเวลาตื่นขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไป อ, า, อาบน้ําอาบท่าแต่งเงือ่อนแต่งตัวก็พุทโธพุทโธไปลองทําดูแล้วมันจะใจมันจะเย็นลงแล้วก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากกันมากอารมโมโธสันจะน้อยลง เ อ, อมีไหมไม่อยากจะถามเลยมไม่อยากจะถามเลยไหมเดี๋ยวไม่มีจะให้ทางบ้านเขาถามไงคําถามนะครับคําถามจะถาม facebook ไลฟ์ก่อนนะครับจะคุณวิโรจน์นะครับอาการที่เป็นก้อนแน่นที่กลางอกบางครั้งก้อนแน่นที่เลื่อนขึ้นลงได้ตามอารมณ์ ที่เปลี่ยนรู้สึกไม่ค่อยสุขสบายยิ่งมีการเพ่งก็ยิ่งแน่นบางครั้งเกิดอุ่นเมื่อใจเป็นบุญกุศลและแสบร้อนเมื่อจิตเป็นอกุศลขอความเมตาตาการุณาเรียนถามพระอาจารย์ว่าสิ่งนี้คืออะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไร<า>ที่พูดนี่หมายถึงเวลาที่นั่งสมาธิใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็แสดงว่าไม่ได้นั่งสมาธิไปนั่งดูไอ้ก้อนนี้ แปนะั่นั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเรียกว่าให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วอะไรจะเป็นอะไรมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราไปนั่งเพ่งดูไว้พวกนี้มันก็ทําให้เร า, เามีปัญหากับมันขึ้นมามีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอไม่เป็นมันก็ทําให้เราหงุดหงิดลำคาญใจดงั้นเวลานั่งสมาธิไม่ต้องให้ไม่ต้องดูอะไรให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวถ้าใช้พุทธโธ ถ้าใช้ลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวส่วนอาการอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเป็นกิเลสสมานเวลานั่งดูทีวีนั่งดูอะไรไม่เห็นมันเป็นออกมานั่งสมาธินี่เป็นขึ้นม า, าทันทีนั้นอย่าไปดูมันนะถ้าดูมันแสดงว่าไม่ได้นั่งสมาธิแล้ว พราะนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบใจเป็นสมาธิใจจะสงบใจจะเป็นสมาธิได้ต้องมีพุโทโธแล้อมีลมหายใจเป็นที่ดูที่ตั้งถ้าไปดูอย่างอื่นแล้วมันจะทำให้ไม่สงบทำให้มีความสงสัยมีอะไรต่างๆอย่างที่ที่ถามมานี้ของเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเราไปยุ่งกับมันเอง คุณวิโรดเขาเพิ่มเติมนะครับว่าที่เกิดเกิดเหตุการณ์มีก้อนมีอะไรเงี้ยครับเกิดจากก่อนหน้านี้ใช้ภาวนาพุทโธติดต่อกันเป็นเวลาสองปีแบบเข้มภายหลังเกิดเรื่องกระเทือนทางใจทําให้ผลกระทบมีขึ้นมาตามที่ได้กลับเรียนก่อนหน้านี้มันมีเรื่องก็เรื่องแต่มันมันมันมันไม่เกี่ยวกับพุทโธหรอกถ้าพุทโธแล้วรับรองได้มันไม่มีเรื่องมันมีแต่จะสงบอย่างเดียว แต่ถ้าไปมีเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องและเวลานั่งถ้าไม่มีพุโทโธไปคิดถึงเรื่องมันก็ทำให้ อ, อาการต่างๆเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวรับรองได้ว่าไม่มีไม่มีแน่นอนมีก็ไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าใจเข้าสู่ความสงบแล้วทุกอย่างก็หายไปเองคิดว่ามันเป็นทางผ่านก็แล้วกันเวลาเราจะ เดินทางไปจากที่นี่ไปไปบ้านเนี่ยมันต้องผ่านนูน่นผ่านนี่ก็อย่าไปสนใจมันจะมีเหตุการณ์อะไรตามท้องถนนเราก็เราก็ขับรถของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง เ, เวลานั่งสมาธิมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมาให้เรารู้เราเห็นเราก็อย่าไปสนใจมันเราก็พุโทโธไปเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านคือความสงบเอง คำถามจ้าคุณชิดนะครับจิตพยายามฝึกเข้มแข็งสวดมนต์ทุกวันเลิกกับภรรยาตอนนี้นึกถึงแต่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอดีตลืมแล้วอยู่คนเดียวจิตใจอิสระขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เพิ่มเติมครับก็ปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มีเวลามากขึ้นก็คนที่จะนั่งให้มากขึ้นฟังเทศฟังธรรมให้บ่อยขึ้นแล้ว จิตใจก็จะสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไปโดยกระทั่งไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยคําถามจะคุณมูนะครับกระผมภาวนาแล้วง่วงจึงดื่มเครื่องดื่ ม, มชู ก, กำลังให้หายง่วงแบบนี้จะดีหรือเปล่าครับมันก็แก้ปัญหาชั่วคราวอเดียมันก็มาติดกับเครื่องดื่มอีกเดี๋ยวเกิดเวลาไม่ได้ดื่มก็ยิ่งง่วงใหญ่ แล้วก็ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เหตุเหตุของความง่วงก็อยู่ที่เรื่องของการกินเนี่ยแหละกินมากเกินไปมันก็ทำให้ง่วงยังวิธีที่จะแก้ความง่วงก็อย่าไปกินต้องอดเช่นเริ่มต้นด้วยการอดข้าวเย็นก่อนคนที่ถือคนที่จะปฏิบัติทําจริงๆนี่เขาถือสิน8ดกันสิน8ก็จะทำให้เราลดการรับประทานอาหารลงไป แต่ถ้าถือสีลแปดแล้วยังง่วงอยู่ก็ต้องอดแล้วล่ะอดวันเว้นวันดูอดวันเว้นวันยังง่วงก็อดสองวันอดสองวันกินวันหนึ่งถ้ายัง ง, ง่วงอยู่ก็อดสามวันกินวันหนึ่งเดี๋ยวหายง่วงแน่ๆมันอยู่ที่การกินเหตุของความง่วงอยู่ที่การกินมากเกินไปคําถามจะคุณน้ํามนนะครับ อยากทราบว่ารักษาศีน์แปสามารถออกกําลังกายได้ไหมคะเพราะหนูเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆหนูตั้งใจจะรักษาศีน์แปดให้ได้ทุกวันคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าออกกําลังกายได้ไหมเช่นวิ่งหรือออกกําลังกายตามคลิปในยูทูบอ่าการออกกําลังกายก็ต้องออกกําลังกายในที่ที่ไม่ไปพบปะ ก, กับผู้คนเน้ไม่ไปในที่สาธารณนะ การถือศีลแปดนี้เพื่อปีกวิเว้เพื่อไม่ให้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าจะออกกำลังกายก็ออกในบ้านได้เช่นไปซื้อเครื่องเดินสายผ่านมาวิ่งก็ได้เครื่องวิ่งหรือว่าจะวิ่งรอบบ้านหรือในที่ที่เราไม่ต้องออกไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆไม่ได้ห้ามเรื่องของการออกกำลังกายแต่ไม่ห้ามไม่ให้ไปพบกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ไม่ให้ออกไปตามสถานที่ต่างๆเพราะไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาจะทําให้ใจไม่สงบนั่นเองคําถามจากคุณสุนิสานะครับถ้าจะศึกษาธรรมจากการอ่านหนังสือท่านพระอาจารย์เคยแนะนําหนังสือสามเล่มให้ศึกษาอยากทราบว่าชื่อหนังสืออะไรเจ้าคะอย่างเคยจําได้ว่าพระอาจารย์แนะนําอนตัตตลักษณะสูตร จำได้เล่มเดียวที่พระอาจารย์เคยบอกไว้ครัอ๋อถ้าเป็นพระสูตรของพระเจ้า ก, ก็มีธรรมจกกักรปวัตตนสูตรอนัตตลกนณสสูตรสติปัฏฐานสี่แล้วก็มงคลละสูตรนี่ก็เป็นคำสอนที่จะสอนวิธีการปฏิบัติต่างๆแล้วถ้าอยากจะอ่านเสริมก็อ่านหนังสือของน้องตา ถ้าปฏิบัติก็อ่านหนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานอ่านประวัติหลวงปู่มั่นจะได้ความรู้เยอะแยะเลยจะรู้วิธีการปฏิบัติต่างๆอุบายต่างๆวิธีโอดอาหารวิธีต่อสู้กับความกลัววิธีต่อสู้กับทุกขเวทนาวิธีต่อสู้กับความตายมันจะมีอุบายเยอะแยะเลยในหนังสือเหล่านี้ คำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณ e อีซี่อุ๋ยนะครับจิตคิดด่าพระเป็นคำหยาบบ้างบางทีก็คิดปา마าพระรัตนไตแต่อยู่ในความคิดไม่ได้พูดออกมาโดยเราไม่มีเจตนาเลยเวลาไปกราบครูบาอาจารย์ก็มีความคิดด่าท่านโดยเราห้ามตัวเองไม่ได้เป็นบาปไหมถ้ายัางไม่ได้พูดออกมาก็ยังไม่บาป เป็นบาปทางใจยังไม่ได้เป็นบาปทางทางร่างกายคําถามจากคุณจิรายุทธ์นะครับมีความสงสัยในสีแปดว่ามีขอบเขตอย่างไรคือดูกีฬาได้หรือไม่ครับทาโลออนได้ไหมโลออนระงับกลิ่นกายนะครับและนอนบนที่นอนยางพาราได้หรือไม่ครับหรือต้องนอนเสื่ออย่างเดียว คือเป้าหมายของการถือศีลแปด ก, ก็คือไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกและกายถ้าเราใช้สิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นการให้ความสุขกับเราก็ใช้ไม่ได้เช่นถ้าทาน้ํามันเพื่อให้เรามีความสุขใจจากการได้ทาน้ํามันนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าทาน้ํามันเพื่อรักษาร่างกายนี้ใช้ได้แต่ถ้า ทา่ทาเพราท่าแล้วทำให้รู้สึกมีความสุขใจจากการทายนี้ก็ไม่ได้นอนก็เหมือนกันถ้านอนบนพื้นแล้วมีมียางผ้ายางปูเพื่อการความเย็นอะไรอย่างนี้ได้อยู่เพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้านอนเพื่อให้มันสบา ย, ยานี้ไม่ได้ไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้หาความสบายทางร่างกายให้ให้ให้ร่างกายมัน อยู่แบบไม่ไม่สบายไม่ไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายดูก็เหมือนกันถ้าดูแล้วทำให้เกิดความสนุกสนานก็ไม่ได้เช่นดูกีฬาหรือดูข่าวก็ไม่ให้ดูเพราะดูแล้วมันจะทำให้เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราต้องการที่จะกาจัดสิ่งต่างๆที่จะมากระตุ้นใจให้เราคิดให้เราอยาก งั้แม่ว่าจะดูอะไรนี้ถ้าจะดูก็ต้องดูธรรมะเท่านั้นดูพระเทศน์ี้ได้อยู่ถ้าจะฟังก็ฟังเทศน์นี้ได้อยู่ถ้าจะทาน้ํำมันก็เพราะว่าผิวมันแตกแล้วหมอบอกต้องทาน้ํามันเพื่อรักษาผิวนี้ได้อยู่แต่ก็ทาแล้วเพื่อทำให้มีความรู้สึกสบายใจนี้ไม่ได้คำถามจะคุณเล็กนะครับ งานทางโลกคนอื่นทำแทนได้แต่งานทางธรรมเราต้องทำเองใช่ไหมครับทางโลกบางทีคนอื่นก็ทำแทนเราไม่ได้อยังเราก็ไม่ต้องไปทำงานเลอให้คนอื่นก็ไปทำแทนเราแล้วเราก็รับเงินเดือนเนี่ยคำถามจะคุณ น, นุชโยมเคยปฏิบัติแบบพองยุคแล้วมาพุทโธเวลานั่งภาวนาจะเห็น ทั้งสองอย่างจะแก้ไขอย่างไรดีครับก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่าไปเห็นสองอย่างเอเวลาเห็นสองอย่างก็เห็นก็มองอย่างเดียวอย่าไปมองทั้งสองอย่างจากผู้ไม่ประสงออกนานนะครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายการติดอยู่กับไตรลักษณ์ฌานตัวสุดท้ายอนัตตาวิพัตหมายความว่าอย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะ คุณลองไปเปิดกูเก l e ดูเลยค่ะำถามจะคุณพิชาพันธ์นะครับถ้าเราคุมใจได้ตามที่พระอาจารย์สอนเมื่อสักพักให้พุทโธพุทโธแต่ในใจเรามีความเป็นห่วงใครแล้วเราจะแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญให้เขาหลังจากที่เราฟังเทศจบได้ไหมคะและจะถึงเขาไหม ไม่ถึงหรอกแผ่เมตตาต้องต้องไปหาเขาแล้วก็เอาเขา้าวของไปให้เขาแแผ่เมตตาเวลาคิดถึงเขาแล้วขอให้เขามีความสุขนี่เขายังไม่ได้รับผลจากการแผ่เมตตาของเราถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกับปลาซื้อขนมนมเนยแล้วก็ไปฝากเขาแล้วก็ได้ของจากเราเขาก็จะมีความสุขนี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งคิดในใจว่าขอให้เธอมีความสุขนะจ๊ะ ยังไม่สุขหรอกถ้าอยากจะให้มีความสุขเดี๋ยวไปซื้อขนมซื้อข้าวซื้อของอะไรแล้วก็ไปเยี่ยมเขาแล้วก็เอามาให้เขาเนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาใช่ไหมเวลาคนเขาเอาข้าวของมาให้เราเรารู้สึกเนี้ยมีความสุขนะนั่นแหละแรีวแผ่เมตตาคําถามจะคุณมนันีหน้ากับนะครับเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเมื่อเราจับลมแล้วรู้มีความรู้สึก ถึงที่พระจอมเต้นจากนั้นคล้ายกับว่าเห็นหัวใจเต้นบีบลัดก็ไม่ได้สนใจก็จะผ่านเลยไปก็มีความรู้ว่าคล้ายอยู่กับความว่างแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับก <g eler> <sewer. S 2> ็ถ้ามันว่างมันไม่คิดอะไรก็ให้มันว่างไปนานๆ <g eler> <g eler> ถ้ามันยังคิดอยู่ก็ให้ดูลมต่อไปถ้ามีลมให้ดูดลมต่อไป ถ้าไม่มีลมให้ดูก็ใช้สติหยุดความคิดถ้าไม่มีลมแล้วเห็นความคิดก็หยุดความคิดไปอย่าให้มันคิดคําถามจากคุณอเล็กนะครับขอกราบเรียนถามว่าการที่เราถวายทานให้แก่พระที่เป็นสุปฏิปันโนที่มองรณาภาพแล้วจะได้อานิสงส์ต่างกับพระที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ครับเ อ, อพระตายไปแล้วจะไปให้อะไรท่านได้ท่านจะรับอะไรได้ ถวาของก็ต้องให้คนที่ก็มีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญถวายให้พระที่ตายไปแล้วจะไปแล้วใครจะเป็นคนรับแทนท่านใช่ไหมคำถามจะคุณอาจฤท จ, จังทุกขังอนาตานะครับเวลาที่เรานั่งดูลมจนลมนั้นหายไปเหมือนไม่ได้หายใจแล้วเราทำยังไงต่อคะลูกท่องพุทโธต่อไปแต่ไม่รู้จะ ก, กาหนดจิตไว้ที่ไหน ให้รู้เฉยๆให้อยู่กับตัวรู้ก็ได้ให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ให้รู้เฉยๆไปคำถามจากคุณป้าผู้ปฏิบัตินะครับเคยปฏิบัติมาได้ดีเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วพอดีตัดออกมาจัด ก, การปัญหาครอบครัวออกมาอยู่ที่เยอรมันไม่ได้ปฏิบัติเลยตอนนี้หมดภารกิจจะกลับมาปฏิบัติแต่มีปัญหาด้านสุขภาพ หมอนวดกระดูกนั่งปฏิบัติลําบากเราปฏิบัติไม่ได้ดังเหมือนแต่ก่อนทําอย่างไรดีครับก็ปฏิบัติสติไปก่อนนะสตินี้ไม่ต้องนั่งก็ได้อยู่ในทุกิริยาบทนี่เราสามารถปฏิบัติสติได้จเจริญสติไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธคุมความคิดให้อยู่หยุดความคิดให้ได้แล้วถ้าเรามีสติ ด, ดีๆเราจะนั่งนั่งสมาธิในท่าไหนก็สง บ, บได้เหมือนกัน นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนสมาธิก็ได้ถ้ามีสติดีๆมันจะไม่หลับนั้นฝึกสติไปให้มากๆก่อนคำถามเจ้าคุณนาคร น, นะครับเวลาผมนั่งสมาธิดูลมหายใจกับคำบริกรรมพอไปสักพักจะเริ่มคุมความคิดไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนไม่มีสติแต่จิตไม่มีกำลังที่จะบริกรรมสู้ ควรแก้วิธีใดครับก็ต้องมาฝึกสติให้มีกําลังมากขึ้นต้องพยายามทําก่อนที่เรามานั่งทําทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยให้เปให้เป็นเป็นนิ ส, สัยไปให้ให้คิดอยู่แต่พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเราจะมีกําลังเวลานั่งมันก็จะมันก็จะพุโทโธไปได้เรื่อยๆแล้วความคิดก็จะหายไปหมดไปใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คำถามจะคุณหมูนะครับการพิจารณาลมอย่างเดียวเป็นไตรักรไม่พิจารณาอาการ32จะไม่สามารถถึงโสดาปฏิมักใช่ไหมครับคือปัญหา ม, มันไม่ได้อยู่ที่ลมเลยกว่าจะพิจารณาลมที่เป็นโสดาก็ได้ก็คิดว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายตายก็ตายสิมันต้องอย่างงี้มันถึงจะเป็นโสดาได้ เป็นโสดานี่ยเขายอมตายเขาไม่กลัวความตายเขาไม่กลัวความเจ็บถ้าอยากจะเป็นโสดาก็ไม่ต้องปล่อยความเจ็บต้องปล่อยความตายคืออย่าไปกลัวมันอย่าไปอยากให้มันไม่ตายอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บแล้วมันก็จะเป็นโสดาได้คำถามจะกคุณฟ้าใสนะครับขอสอบถามว่าเคยนั่งสมาธิแล้วช่วงแรกๆ ตัวหมุนตะแคงเหมือนจะลม้มแต่จริงๆแล้วตัวเราไม่ได้หมุนจริงๆต่อมานั่งสมาธิได้สักพักก็เกิดเป็นเหมือนกวนเป็นกลุ่มๆขึ้นลงขึ้นลงตรงหน้าจากนั้นก็ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้อีกแต่ล่าสุดรู้สึกนั่งไปแล้วตัวเราไม่มีว่างเปล่าเลยกลับมากำหนดพุทธโธอีกอย่างนี้ทาถูกต้องไหมเจ้าคะก็ต้องนั่งไปแล้วก็กาหนดพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าไปทิ้งพุทธโธ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาก็อยากไปสนใจมันจนกาจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วพุโทโธมันก็จะหยุดไปเองถ้ามันยังไม่รวมก็พุโทโธไปเรื่อยๆอะไรจะมาปรากฏให้รับรู้ก็อยากไปสนใจพุโทโธไปเรื่อยๆคำถามจะคุณดั่งดวงแก้วนะครับอยากทราบว่าระหว่างบาปทางกายกับบาปทางใจอันไหนรุนแรงกว่ากันค ะ, ะมันก็รุนแรงทั้งสองันน่ะ มันต้องมันบาปทางใจก่อนนะมันถึงจะระบาดไปทางกายพอคิดปั๊บใจก็ทุกข์ละใจก็ร้อนละแล้วพอไปทํามันยิ่งร้อนใหญ่เช่นคิดจะฆ่าเขานี้ใจก็ร้อนละแล้วพอไปฆ่าเขานี้มันยิ่งทําให้มันร้อนขึ้นมาอีกหลายเท่าดังนั้นมันมันมันมันมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆพูดง่ายๆมันเริ่มที่ใจก่อนเหมือนไฟเนี่ยตอนต้นมันก็เริ่มที่จุดเดียว เราจุดไฟตรงจุดเดียวเช่นไฟป่าเนี่ยเราไปจุดมันจุดเดียวเดี๋ยวมันก็ลามออกไปกลายเป็นไฟป่าใหญ่ขึ้นมาบาปมันเริ่มที่ใจคิดชั่วคิดที่จะฆ่าเขาแล้วพอไปฆ่าเขามันก็ทําให้ทุกข์มันร้อนความทุกข์ร้อนในใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอฆ่าเขาแล้วก็กลัวแล้วสิกลัวจะถูกจับกลัวจะจะถูกเข้ามาอารางแคน พอถูกจับถูกเขาสั่งประหารชีวิตอย่างนี้เขาใจก็ยิ่งร้อนใหญ่ทุกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆดังั้นเวลาเกิดบาปแล้วต้องรีบหยุดที่ใจคือปัญหามันยังแก้ได้พูดง่ายๆพอบาปนี้ที่ใจมันยังไม่ไปทํานี่ยังไม่มีวิบากคือไม่มีการไปรับใช้กรรมเพียงแต่ว่ามันคิดขึ้นมาแล้วมันทุกข์แล้วมันมีผลทันทีจากการคิดไม่ดีถ้าเรามีสติเราก็หยุดมันเสีย พุโทโธพุโทโธไปหรือถ้ามีปัญญาก็ใช้ปัญญาว่าอ่ะสิ่งที่เขาทำมาแล้วเราไปโกรธเขาไปทำร้ายเขามันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาด่าเราแล้ ว, ลวมันก็ผ่านไปแล้วเราไปฆ่าเขามันก็ไม่ได้ไปทำให้เขาไอสิ่งที่เขาพูดนั้นหายไปควรจริงมันหายไปแล้วมันพูดแล้วก็หายไปแล้วก็อย่าไปถือสามันมันก็จบถ้ามไม่ได้ ห้ามคำพูดไม่ได้ห้ามพฤติกรรมของคนอื่นไม่ได้เขาจะพูดเขาจะทำอะไรก็ห้ามก็ไม่ได้เราห้ามใจเราเพียงอย่างเดียวก็พอห้ามใช้ใจเราอย่าไปมีเวร ม, มีกรรมกับใครคิดว่าเราเกิดมาในโลกนี้มันจะต้องเจอ ท, ทั้งสรรเสริญทั้งนินทาทั้งดีทั้งชั่วเจอก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วไม่ต้องมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราเจอเรื่องก็จะจบ ถ้ามีถ้าไปมีปฏิกิริยาเรื่องมันก็จะยาวกลายเป็นเรื่องน้ําน้ำพึ่งหยดเดียวคําถามจากคุณพัชรานะครับถ้าเรารับบริจาคอวัยวะจากคนที่มีชีวิตอยู่จะเป็นหนี้ต่อพคต่อชาติจะไหมคะถ้าเขาให้โดยที่เราไม่ได้ไปขอเขาก็ไม่เป็นหนี้ถ้าเราไปขอเขาก็เป็นหนี้ แต่ไม่รู้ต่อพบต่อชาติหรือเปล่าเราไม่รู้นะอแต่ก็อาจจะชาติหน้าเขาอาจจะกลรมมาขอเราก็ได้ถ้านี้เราขอเขาเดี๋ยวชาติหน้าเขาก็มาขอเราแต่ถ้าเราไม่ขอเขาเขาให้เรานี่เราก็ไม่ได้เป็นหนี้อะไรกับเข า, mm. เาเขาให้ด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตาก็เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเขาได้ความเมตตาเขาได้แผ่เมตตาเขาเขาได้ความสุขจากการแผ่เมตตา มีคำถามจากคุณพักพรนะครับแต่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับหนูเคยปฏิบัติตามหลวงตา ม, มหาบัวเข้าอรรษาเข่งคัดฉันมื้อเดียวปฏิบัติทั้งวันจนประมาณหนึ่งเดือนเข้าสมาธิไม่ได้สักทีจึงปล่อยวางไม่เอาแล้วล้มตัวลงนอนแต่จิตยังติดพุดโทโธไปเรื่อยจนรูปไป และเป็นดวงกลมสว่างโล่งเบาสบายแต่กลับไปเห็นคนนุ่มจูงกระเบนอยู่ในบ้านทรงไทยเข้าไปใกล้เห็นชัดว่าว่าตาเนื้อหนูกลัวจึงพูดพาดออกมาจากนั้นก็ไม่ง่วงดูภาพอสุภะก็หมุนเหมือนล้อเกวียนหมุนไปเรื่อยๆไม่หยุดแต่หนูไม่เคยเข้าสมาธิได้อีกเลย เพราะว่าพวดพาดออกจากสมาธิหรือเปล่าคะปัจจุบันหนูมีตัตวรู้ยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นความจริงขอสามีไปบวชแต่สามีขอให้ช่วยดูลูกก่อนลูกโตแล้วค่อยไปตอนแรกทุกเพราะอยากไปบวชชีแต่หนูทำงานที่บ้านตื่นนอนมาก็พยายามพุทโธแต่ก็มีเผลอไปบ้างกลางวันเดินจงกรมเสร็จจะนั่งสมาธิ และนอนสมาธิต่อเพราะหนูนั่งสมาธิแล้วไม่โล่งเหมือนเพ่งต้องต่อด้วยนอนสมาธิที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนเล่งได้ร้อยเข็มให้ใจนิ่งหนูได้ปฏิบัติแล้วนิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงสมัยก่อนได้เลยจะทําอย่างไรดีครับสติยังไม่ดีใช่ไหมครับออต้องพยายามทำสติให้มากขึ้นไป อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเวลานั่งถ้านั่งแล้วไปคิดถึงอดีตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคือพุโทโธมันก็จะไม่มีวันนิ่งเวลานั่งนี้ต้องให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงผลที่ได้จากอาดีตอย่าไปอยากได้เหมือนคราวที่แล้วจะได้ไม่ได้อยู่ที่พุโทโธอยู่ที่ว่าใจเราอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าจากคุณพัทธละพล น, นะครับ ขณะฟังธรรมพระอาจารย์แล้วภาวนาพุโทโธไปพร้อมได้ใหมครับถ้าฟังธรรมก็ไม่ต้องพุโทโธให้อยู่กับธรรมเสียงธรรมที่เรากําลังฟังอยู่เพราะว่าถ้าเราฟังธรรมแล้วพุโทโธไปเราก็เลยจะไม่รู้ว่าเรากําลังฟังอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะฟังธรรม ก, ก็ก็ฟังเสียงธรรมไปถ้าเราต้องการพุโทโธเราก็ปิดเสียงธรรมไปอย่างนีมันจะมาชนกันมันจะทําให้ใจไม่สงบเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าอยากจะนั่งพุโทโธก็ปิดเสียงธรรมไปไม่ต้องฟังธรรมถ้าอยากจะฟังธรรมก็ไม่ต้องพุโทโธเสียงธรรมนี่ก็จะทำให้ใจเราสงบได้เหมือนกับพุโทโธแทนกันได้ใช้แทนกันได้แต่สู้พุโทโธไม่ได้ตรงที่ว่าพุโทโธนี่เราสามารถทําได้ทุกแห่งทุกคนแต่เสียงธรรมนี่เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือถึงจะฟังได้ดังนั้นถ้าเราพุโทโธได้เราพุโทโธไปดีกว่า การฟังธรรมนี้ไม่บางทีไม่ได้ฟังเพื่อให้ใจสงบเพียงอย่างเดียวการฟังนี้เพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีพัฒนาจิตใจเราให้มีความสุขมีความสงบมากขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้คําถามจ้าคุณบุญช่วยนะครับเวลานั่งสมาธิจิตวอกแวกจังเลยขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําเจ้าค่ะแสดงว่ามัมีสติเลย ต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งต้องหมันพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วเวลานั่งจะไม่วอกแวกจะอยู่กับพุทธโธได้และอยู่กับลมก็ได้คำถามจะคุณแมนนะครับจังหวะที่ดูความว่างความมืดสว่างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จะทำอย่างไรให้ทรงอยู่ได้โดยไม่ไปรวมกับอารมณ์ไม่เผลอ ไปเป็นตัวเป็นตนกับเรื่องนั้นๆแล้วมารู้ตัวทีหลังก็ต้องฝึกสติกับปัญญาให้มีสติทำให้ใจไม่ไปคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆหรือถ้ามีปัญญาก็ให้คิดไปในทางความเป็นจริงให้คิดว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราต้องใช้สติใช้ปัญญาถึงจะสามารถทาให้ใจเห็น ตามความเป็นจริงได้ว่าไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นของเราตอนนี้คําถามหมดครับพระอาจารย์ทางโมงไม่มีเลยลเลยทางนี้มีใครยักระถามต่อไหยอ อ, อ, อย่างเมื่อกี้ที่ท่านที่ถามว่าเ อ, อฟังทำแทนการภาวนาพุโทโธครับอาจารย์ แล้วถ้าเรานั่งฟังธรรมไปเนี่ยจิตเราจะสามารถรวมได้เหมือนเวลาเราพุโทโธได้หรือเปล่าครับก็ไม่แน่บางทีก็รวมได้บางถ้ามันมีมีเหตุทําให้มันรวมมันก็รวมได้คือการฟังธรรมนี่มันดีกว่าต้องพุโทโธเองตรงที่ว่าอาจจะบรรลุธรรมเลยก็ได้<ม>เพราะได้ปัญญาซึ่งเป็นธรรมที่สูงกว่าสมาธิเฉะนั้นคนที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี้ มักจะบรรลุธรรมกันได้เพราะว่าจะได้ทั้งสองอย่างขณะที่ฟังก็ได้สติทําให้ใจสงบแล้วก็ได้ปัญญาทําให้ใจปล่อยวางหลุดพ้นได้แต่ถ้าพุโทโธพุธโทโธนั่งพุโทโธไปก็ได้แต่สมาธิเพียงอย่างเดียวแล้วเวลาเวลาพุโทโธนี้อย่างคนส่วนใหญ่ก็คือจะนึกคำว่าพุโทโธอยู่ข้างในะครับเราไม่ควรที่จะ ปากพูดโทพโทไปอย่างนี้ไม่ควรใช่ไหมครับอาจารย์ก็มันมันไม่จำเป็นมันไปใช้ปากทำไมเราไม่ได้พูดกับใครเราพูดกับตัวเราเองเราก็ใช้ความคิดเวลาเราคิดเราเราใช้ปากคิดแล้วเปล่าว่าจะไปไหนดีจะทำอะไรดีแล้วก็ใช้ความคิดไปอยู่แล้วไม่ใช่แลงั้นก็ไม่ต้องใช้ปาก มือนอย่างบางทีถ้าเราเริ่มนั่งใหม่ๆคาารับ <ừ. S 1> อาจารย์เวลาเราพยายามนึกในใจเหมือนข้างในมันยังฟุ้งและบางทีถ้าเราพุทโทพุทโทพุโทโธไปก่อนอย่างนี้เหมือนมันเหมือนช่วยให้เราดึงสติกลับมาได้เร็วก่อนที่เราจะไปพุทธโทในใจอีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้ถ้าจําเป็นจ ะ, น ะ, นะต้องใช้ก็ใช้ไป <c oughs> เพพก ถ้สมมติว่าลูกปฏิบัติแล้วไม่ไปทั่วไปอย่างเนี้ค่ะทีนี้ไม่จําเป็นต้องโฟนผมหรือโฟมผมอะไรได้ไหมคะได้ไม่เกี่ยวกันเรื่องผมเรื่องผ้านี่ไม่เกี่ยวอยู่ที่สติตัวเดียวถ้ามีสติแล้วมันก็จะใจก็จะสงบใจจะรักษาศีลได้ศีลไม่ได้อยู่ที่ผ้าอยู่ที่ผมศีลอยู่ที่กายวาจาใจถ้าใจสงบใจมีสติมันก็จะ มันก็จะรักษาสีได้ทุกข้อแต่ที่โกนเพราะว่ามันลาคาญเขาไคนที่เขาไม่มีต้องการไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขแล้วเขาก็โกนดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยหวีมาคอยซักมาคอยอ่มาเวลาอาบน้ำก็ต้องอ่าถ้าถ้าสระผมมันก่อจะแห้งมันก็เสียเวลาถ้าโกนโหัวนี่มันสบาย คิดเนี่ยก็คือว่าถ้ามันยังมีผมไม่ได้หมายมือส่วนงานนะคะหรือยังจะพอเอ่อช่วยเหลือคือ่ือจะทําในทางคุณคุณสนได้เยอะถึงหมายควาะว่าตัวเองเนี่ยออกไปสมมุติว่าวัดไหนไหนแล้แต่นะฮะ่ังจังหวัดเนี่ยกันเหลือเงี้ยเราก็ขับรถไปซื้อได้แต่ถ้าเราโกนัวเราก็ขับรถไม่ได้ที่จะไปหาของปัจจัยมาให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เพราะว่าใจเรายังอยากยังอยากจะออกข้างนอกอยู่เนี่ย ถ้าใจเราสงบแล้วเราก็จะไม่อยากไปทำบุญทาทานนะเราก็จะโกนหัวกันเพราะบุญที่ได้จากการปฏิบัติมันดีกว่าบุญที่จากการไปทำบุญทาทานถ้าเรายังติดอยู่การทำบุญทาทานก็แสดงว่าเรายังไปไม่ถึงบุญขั้นสูงมันจะบอกเองคนโกนหัวกับคนไม่โกนหัวคนโกนหัวนี่เขาได้บุญขั้นสูง คนที่ยังไม่โคนหัวยังติดบุญขั้นต่ำอยู่คตามจริงคนที่เขาโคนหัวแล้วเขาอยากจะไปไหนเขาก็ไปได้ไม่ขับรถเองไม่ได้ก็จ้างคนขับก็ได้ถ้าอยากจะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรหรือหรือฝ่ายเข้าไปซื้อก็ได้เราไม่ต้องไปเองก็ได้อคอนที่แต่คนที่เขาเขาโคนหัวแล้วนี่เขาไม่เข้ามายู่กับเรื่องการทําบุญ่ทําก็ทําทีเดียวให้มันหมดไปเลยหมดเรื่องหมดเล่าไปออา คนที่เขาไปบวชกันเ็ทิ้งสละเงินทองไปหมดจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับการไปทำบุญทาทานทำมันทีเดียวให้มันหมดเรื่องหมดราวไปเลยจะได้ไม่มาขัดกับการมาทำใจให้ส ง, งบพอเราทำใจให้ส ง, งบแล้วออกมาทำบุญมันก็ทาออกมามันก็วุ่นอีกอะก่อนที่ส ง, งบแล้วเขาไม่อยากจะออกมาวุ่นกับเรื่องราวต่างๆมีใหม่เข้ามาไหมมีครับอาจารย์จากคุณลิลลี่นะครับ หากหากปฏิบัติจนจิตสงบแล้วไม่มีความคิดใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วจะทำอย่างไรต่อคะก็ここทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆคอยควบคุมความคิดอย่าให้มีความคิดเพราะความคิดของเราเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นมันเป็นกิ เ, เลสทั้งนั้นังั้นเราหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้ก่อนขั้นต่อไปเราก็สอนมาให้คิดในทางปัญญาคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเพียงดินน้าลมไฟ ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้คิดอย่างนี้เพื่อปล่อยวางร่างกายคาถามจากคุณเด็ดดอยนะครับอยากถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะเวลาตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วความเบื่อทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายสักที อ, อ๋อเวลาทาใหม่ๆมันก็ต้องเบื่อบ้างเวลาทาแล้วมันไม่ได้ผลมันก็เบื่อเราก็ต้อง ทำใจว่ามันเป็นธรรมดาวันนี้ทำอาจจะได้ผลวันนี้พรุ่งนี้อาจจะทำแล้วไม่ได้ผลก็ทำมันไปได้เรื่อยถึงเวลาทำเราก็ทำไปเราอยากให้ความเบืออ่อ น, นี้ม า, าขัดขวางการกระทำที่ดีของเราเหมือนกับกินข้าวบางวันเราก็ไม่อยากจะกินแต่เราก็ฝืนกินไปก็กินดีกว่าไม่กินใช่ถึงแม้ไม่อยากจะกิน ถ้าเกิดไม่กินนะเดี๋ยวไม่มีเวลาไม่ได้กินมันจะหิวเห็นก็ยอมยอมฝืนกินไปดีกว่าไม่ไม่กินอันในการปฏิบัติก็เหมือนกันก็ถึงเวลาไม่อยากจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติถึงเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปจะเบื่อก็ไม่เบื่อก็ช่างมันถึงเวลาก็ทำไปดีกว่าไม่ทำเพราะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสะสมผลขึ้นมาเองแล้ววันหนึ่งผลมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะหายเบือ่อ คำถามจะคูณสิริอนงนะครับถวายทองเข้าคังหลวงโครงการหลวงตาช่วยชาติภายหลังจากท่านมรณภาพแล้วบุญจะได้เท่ากับตอนที่ท่านยังอยู่ไหมคะ อ, อ๋อได้เท่ากันเน่ยเพราะบุญมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การเสียสละไม่ได้อยู่ที่ว่าหลวงตาอยู่หรือไม่อยู่เห็นพวกเราตอนนี้ถ้าพระพุทเจ้าตายไปแล้วเราก็ทำบุญไม่ได้นี่ใช่ ไ, ไบุญไม่ได้อยู่ที่บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การเสียสละของเรา พอเราเสียสละเราก็จะได้บุญคำถามจากคุณจีรศักนะครับการที่จะละภวะตันหาและวิภวะตันหาถ้าหากทั้งสองอย่างเกิดขึ้นก็มีสติรู้ว่าเกิดขึ้นถ้าหากดับไปก็มีสติรู้ว่าดับไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับอ่าไม่มันต้องให้มันดับไปอย่างเดียวไม่ใช่รู้เฉย มันไม่ดับไปของมันเองมันจะดับได้มันต้องมีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากให้มันดับนี่มันเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เจ้าเวลาทุกเวทนาเกิดขึ้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอยากจะให้มันหายนี่มันไม่หายเองหรอกมันไม่ได้หายไปตามคําสั่งของเราขณะที่มันไม่หายเราก็ต้องทนไปทําใจเฉยๆแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้มันหายมันจะทุกข์ คำถามจากคุณโสพีนะครับอะไรคือความสงบครับความสงบก็คือเนี่ยเวลานั่งเฉยๆนี่ก็สงบกา ย, เ, ยเวลาไม่พูดอะไรก็สงบวาจาเวลาไม่คิดอะไรก็สงบใจลองหยุดคิดดูเลยแล้วก็จะสงบใจขึ้นมาเองคำถามจากคุณจูนนะครับพี่ที่ทางานฝากถาม เขาว่าเขารู้ตัวว่าเห็นนิมิตแล้วรู้ว่าจิตสร้างขึ้นมาเองจิตออกข้างนอกเขาเห็นการเกิดดับของจิตแล้วเขาจะปฏิบัติอย่างไรต่อก็อย่าไปสนใจนิมิตให้ปล่อยวางทุกอย่างที่เราเห็นนะให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะยึดติดแล้วจะเกิดความทุกข์ เช่นเวลาเห็นภาพที่ดีนิมิตที่ดีอยากจะให้อยู่กับเราพอมันไม่พอมันดับไปเราก็จะเสียใจหรือไปเห็นนิมิตที่ไม่ดีแล้วอยากจะให้มันดับมันไม่ดับเราก็ทุกข์ใจวุ่นวายใจเห็นไม่ว่าเราเห็นอะไรให้พิจารณาว่ามันเป็นตายรักให้รู้เฉยเฉยให้รู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเองไม่ต้องไปทําอะไรกับมันวิธีที่ดีที่สุดถ้าไม่อยากจะไปรับรู้ก็ดึงใจเข้าข้างในเส หนึ่งกับเข้ามาอยู่ที่พุทโธพุทโธไปให้กลับมาอยู่ที่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวนิมิตต่างๆก็จะหายไปคําถามจะคุณเอ็นสุขนะครับเวลาฟังธรรมทาไมจิตพุ่งขึ้นที่ศรีรษะคะรู้สึกรวมแน่นๆอ๋อมันเป็นปฏิกิริยาของจิตเราเองแต่เราคนนี้มีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันยัง มันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจเวลาฟังธรรมก็ให้สนใจอยู่กั บ, กบเสียงธรรมอย่างเดียวส่วนอาการอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วเดียวมันก็หายไปเองมันเกิดดับเรียกว่าเกิดดับไม่เทีย่ยมจากคุณสุริยานะครับผมอยู่กับคำบริกรรมทั้งวันแต่ผมรู้สึกเหนื่อยมากๆต้องแก้ไขอย่างไรครับเวลาเหนื่อยก็หยุดบ้างก็ได้ อย่าให้คิดนะถ้าคิดแสดงว่าไม่เหนื่อยจริงนั่นเอถ้าคิดก็ต้องพูดโทต่อถ้าพูดโทรแล้วไม่มีความคิดก็หยุดคิดหยุดพูดโทได้ไว้มาพูดโทตอนที่มันคิดก็แล้วกันถ้ามันเหนื่อยก็แสดงว่ามันมันมันต้องไม่คิดแล้วหล่ะถ้าเราอยู่ทุดโธแล้วมันยังคิดอยู่ก็แสดงว่ามันไม่เหนื่อยมันหลอกเรามันเหนื่อยกับพูทโธแต่มันไม่เหนื่อยกับความคิดอย่างอื่นพอให้คิดถึงเงินทองนี่มันไม่มันไม่เหนื่อยเลย คิดถึงขนมนมห น, นยไม่เหนื่อยวันคิดอยู่ก็พูดโทรเดี๋ยวเดียวเหนื่อยนะคำถามจากคุณสุพรรณีนะครับลูกเป็นหญิงมีลูกมีครอบครัวแต่ตั้งใจรักษาศีลวันพระจะรับศีลแปดลูกมีเป้าหมายว่าอยากจะบวชเมื่อพร้อมเพราะไม่อยากกลับมาเกิดอีกลูกควรปฏิบัติอย่างไรให้ถึงจุดหมายคะ ก็พยายามรักษาศีลไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆทังเทศทังธรรมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะไปได้เองคำถามจากคุณพนวัฒนะครับเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิบางครั้งถ้าใจนิ่งๆแล้วมีอาการขนลุกบางครั้งนั่งจนปวดอยากจะลุกแต่ก็สู้มันตัวเอง พอผลลุกแล้วอาการปวดก็หายกลับมาพูดโทรต่อได้มันคืออาการอะไรครับก็อาการของจิตไงมีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาาอให้เรามีสติประครับประคองจิตไปแล้วมันก็จะฟันฝ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้คำถามจากคุณวีระนะครับทหารตำรวจที่วิสามันฆาตกรรมผู้ร้ายจะบาประดับไหนครับปฏิบัติธรรมแล้วจะลดกรรม หรือผู้ตายจะมารับบุญที่เราอุทิศให้ใหม่ครับคือการทํบาปนี่มันก็มีหลายระดับถ้าทําด้วยหน้าที่มันก็ทาแบบเดรัจฉานเป็นเดรัจฉานถ้าทําด้วยความโลภก็ไปไปเป็นเปรตถ้าทําด้วยความเกลียดเครียดแค้นอาฆาตปยาบาทก็จะไปนรกมันมีหลายระดับด้วยกัน ของการทําบาปใช่เราเป็นเจ้าหน้าที่ตํำรวจเราไปต่อเราไปจับผู้ร้ายแล้วเขาต่อสู้เราเราก็ป้องกันตัวเราแล้วเราก็ยิงเขาเพื่อให้เขาไม่มาทําร้ายเราอย่างนี้ก็เรียกว่าทําตามหน้าที่ก็ไปเป็นเดลอาฉานแต่ถ้าจับเขามาได้แล้วเกลียดเขายิงเขาทิ้งเลยอย่างเงี้ยโกรธเกลียดเขา อ, อย่างนี้ก็จะไปนรกแทนที่จะไปเป็นเดลาฉานก็จะไปนรก หรือฆ่าเขาเพราะอยากจะได้ทรัพย์สมบัติข้าวเขาของเขาก็ mm hmm. จะเป็นเปดไปเป็นเปดเป็นเปดด้วยแล้วก็ไป น, นโลกด้วยมันมีหลายระดับด้วยกันหลายบางทีมันมีหลายกระทงคําถามจากคุณพิมพ์นะครับหนูเห็นบางคนปีหนึ่งโกนหัวบวชตามเทศกาลวันสําคัญบวชห้าวันสิบวันแล้วก็สึกทําแบบนี้ปีหนึ่ง สามถึงสี่ครั้งจะได้กุศลในการบวชไหมเจ้าคะ่ะก็ได้ตามเหตุที่ทำนะทำสามสี่ครั้งก็จะได้สามสี่ครั้งถ้าทำทั้งปีก็จะได้ทั้งปีเหมือนทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยไม่มีแล้วเลยอ่าถามเลย คือหนูอยากทราบว่าถ้าวิธีการที่จะขอโหติกรรมจากพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณที่ดีที่สุดคือวิธีไหนคะถ้าเราน่วงเกินพ่อแม่เราก็ไปกราบพ่อกรบแม่ขออภัยก็คือด้วยวิธีที่ทราบมาอย่างเช่นล้างเท้าหรือว่าอะไรพวกนี้ก็คือได้เหมือนกันใชมก็อย่าไปทำให้มันยุ่งยากเลยเดี๋ยวเกิดเขาไม่อยากจะให้เราล้างเท้าหมือนก็ไปกราบที่เฉก็พอ เลยกราบเท้าแล้วก็บอกขอขมาลาโทษไปว่าได้ทำสิ่งที่อะไ ร, ร่ว่งเกินพ่อแม่มาก็ขอให้พ่อแม่เอาโหสิกรรมให้ด้วยแ ล, วแล้วกรรมที่มันเกิดขึ้นมันเอาโหสิกรรมได้จริงๆหอ๋อกรรมที่เกิดขึ้นมันก็ต้องไปชดใช้กรร ม, มบาปที่ทำแล้วก็ต้องไปชดใช้แต่เวนยังไม่มีถ้าเราคนที่เขาที่เราทำกับเขาเข้าให้อภัยล้วเขาก็จะไม่มาจองเวนกับเรา แต่เราอาจจะต้องกลับไปรับใช้กรรมกับเราอาจจะต้องไปถูกคนอื่นมาทําแบบที่เราทํากับเขาอี้ยออแต่ไม่ถึงกับระดับต้องตกนรกใช่ไหมครับอาจารย์ต้องแล้วแต่เหตุก็แล้วแต่ว่ากรรมที่ทําไว้มันหนักหรือมันเบาเอย่างไรไถ้าอย่างเช่นเถียงกันอะไรเงี้ยค่ะด้วยเหตุผลก็ <laughs> ต่อไปเรามีลูกเขาจะมาเถียงเราไง เป็นผลของกรรมที่เราทำไปเถียงพ่อแม่ต่อไปลูกมันก็จะมาเถียงเราถ้าเราไม่เถียงพ่อเถียงแม่ลูกมันก็จะไม่มาเถียงเราคือถ้าเราถ้าเราเถียงในลักษณะที่เรามีเหตุผลที่เราคือเราอาจจะมองว่าแม่เราอาจจะคิดไปมุมหนึ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ ก็เรื่องของแม่เขาไม่ใช่เราไม่มีหน้าที่ไปเถียงพ่อเถียงแม่ น, นอกจากเข้ามาขอคำปรึกษาเราก็บอกเขาได้ถ้าเขาไม่ขอคำปรึกษาเราก็ไม่ต้องไปไปเถียงกับเขาก็าจะเอาอย่างนั้นก็ปล่อยก็ทาไปก็จบเพรตามหลักนี้พ่อแม่เขาจะสอนเราเราเป็นคนรับคำสอนถ้าเราเถียงก็สแสดงว่าเราไม่ต้องการรับคาสอนของพ่อของแม่ ถึงแมว่าคำสอนนั่นจะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยข้อสอนไปแล้วก็ฟังไปแต่เราไม่ต้องไปปฏิบัติตามคําสอนการไม่ปฏิบัติตามคําสอนนี้ไม่เสียหายไม่ผิดแต่การไปเถียงพ่อเถียงแม่นี้ผิดอธิบายไหมสมมติแม่เขาไว้ไปกินเหล้าไปมีผัวใหม่แล้วเราบอกว่าเราไม่ชอบแล้วก็เฉยเฉยไปแล้วก็ฆ่าไปฟังเฉยเฉยไม่ค่าก็ได้เดี๋ยวฆ่าแสดงว่า รับปากจะทำนะก็ฟังเฉยๆไปแล้วเราก็ไม่ไปกินเล้าไม่ไปมีผัวใหม่แต่ไม่ต้องไปเถียงให้มันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวโกรธกันเกลียดกันไปเ ป, ปา่าๆเกิดอารมณ์ไม่ดีต่อกันให้เขาพูดให้เขาระบายให้เขาสบายใจนะดีกว่าเถียงแล้วทาให้เขาเสียใจเข้าใจ ไ, ไ, ไการเถียงพ่อแม่นี่ทาให้พ่อแม่เสียใจไม่ใช่อะไรหรอกเพราะพ่อแม่เขหวังดีรักเรา เลี้ยงเรามาทุกอย่างก็เพื่อให้เราได้ดิบได้ดีเขาก็จะบอกจะสอนเราแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่ฉลาดพอก็อาจจะสอนในเรื่องที่ไม่ถูกก็ได้แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเถียงเขาก็มีแต่หน้าที่ฟังไปอย่างเดียวแต่เราไม่ต้องปฏิบัติตามคําสอนที่ไม่ถูกได้ไม่เสียหายตรงไหน มีความสงสัยเกี่ยวกับการภาวนาพุทธโธกับการฟังธรรมในขณะพยายามจะทำสมาธิครับ อ, อย่างปกติที่เคยสังเกตตัวเองมาเวลาทำพุทธโธครับพระอาจารย์ก็คือเราจะนิ่งได้สักประมาณอาจจะพอขึ้นนาทีที่ 30-40 น, นมันจะเริ่มรู้สึกถึงทุกขเวทนาแล้วบางทีมันจะต้องออกแต่ว่าเวลาถ้าเราฟังธรรมครับ ก็บางทีเนี่ยเกินชั่วโมงเราก็ยังนั่งได้เพราะจิตเราจดจ่อกับการฟังธรรมมากเลยแต่ว่าที่ผมมีความกังวลก็คือเวลาเราฟังธรรมนฮะเหมือนจิตเราอาจจะไปปรุงแต่งคิดตามคำเทศคำสอนหรือเปล่าแล้วเหมือนกับมันอาจจะสงบในช่วงแรกแต่ในระยะยาวเนี่ยถ้าสมาธิหรือสติเรายังไม่แข็งพอเราควรที่จะภาวนาพุโทโธให้จิตรวมได้อ่อ ให้ให้มีความแข็งแกร่งก่อนก่อนที่จะไปเจริญในทางปัญญาอย่างนี้ครับการฟังธรรมก็เป็นการเจริญปัญญาไปในตัวอยู่แล้วเพราะธรรมที่เราได้ยินนี่มันเป็นปัญญาทั้งนั้น uh huh. คนที่ไม่มีปัญญาฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้เลย uh huh. เกิดปัญญาขึ้นมาในขณะที่ฟังแล้วก็บรรลุธรรมได้ ถ้าไม่ฟังธรรมพุทโธอย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่มีวันเกิดคืบคืบเหมือนผมยังยังช่างใจไม่ได้ว่าถ้าเราจะต้องลงทุนเวลาที่เรามีอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนอย่างเนี้ยครับเราควรจะไป อ, อคือถ้าเราไปทางฟังธรรมอย่างเดียวเนี่ยจิตเราอาจจะไม่รวมได้เท่าเวลาเราไปฝึกทางด้านสติ พ, พุทโธอย่างเดียวอย่างนี้ครัก็ไม่ได้บอกให้ฟังธรรมอย่างเดียว คุณถามเรื่องฟังธรรมกับพุทโธก็บอกไว้ว่าเวลาฟังธรรมอย่าไปพุทโธเท่านั้นห่อยเวลาไม่ฟังธรรมก็ไปพุทโธได้ทั้งวันก็ไม่ได้ฟังธรรมทั้งวันที่ไหนหรอมีไหมมีครับคำถาจากคุณกูนนะครับอาชีพผู้พิพากษาต้องตัดสินประหารชีวิตแล้คะัต้องรับผลกรรมอย่างไรก็สั่งให้ข้อฆ่าไงก็มีส่วนไง คำถามจ้าคุณหนูนะครับจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นพระแท้พระเทียมควรจัดการเคารพกราบไหว้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องติดตามพฤติกรรมของท่านดูแล้วก็เอาหลักธรรมคาสอนของพระเจ้ามามาวัดเหมือนเราอยากจะรู้ว่าคนนี้น้ําหนักเท่าไหร่เราก็ต้องเอาตาช่างไม้เข้าช่างใช่ไหมถ้าไม่มีตาช่างก็ไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่ถ้ามีตาช่างป๊อปนี้ดูเลยอ๋อกี่กิโล อันใดเราก็ต้องเอาตาช่างคือพราะพุทธศาสนามาวัดคําสอนองพระเจ้ามาวัดที่เราไม่มีคําสอนเราก็เลยไม่รู้จะไปวัดอย่างไรกันถ้าวัดไม่ได้ก็อย่าไปสนใจก็ยกยกไว้ก่อนก็แล้วถ้าสงสัยก็อย่าพึ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาก็แล้วกันถ้าไม่รู้ว่าเป็นพระแท้และพระเทียมก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันถ้าเราไม่มีตาช่งงางอะไรมาอาจจะอาศัยตาช่างของคนอื่นก็ได้อาศัยเพื่อนฝูงคนที่เขา รู้เรื่องพระก็ถามก็ดูแล้วเขาก็จะบอกเราว่าดีนั่นไม่ดีทุกหรือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยจะเปลี่ยนจากทําบุญจากพระไปทํากับมูญนิธิเลยแต่เขาก็จะคิดว่าอได้บุญไม่เท่ากับพระหรือเปล่าครับต่างก็พระมันไม่ใช่มีคนเดียวนี่ยพระดีก็มีพระแท้ก็มีพระเทียมก็มีเวลาเราไปซื้อเพชรเรายังไปซื้อเพชรแท้ได้ไม่ใช่เนี่ใช่ไหมเราไม่ไปซื้อเพชรเทียมกันใช่ไหม เราก็มีวิธีซื้อเพชรแท้ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาที่ที่มีคนเข้ารับรองว่าร้านนี้ขายของแท้แล้วก็ไปหาวัดที่มีแต่พระแท้ญนะาติโยมถึงมักจะไปหาพระป่าอะไรเงี้ยเพราพระป่าส่วนใหญ่ก็เป็นพระแท้พระปฏิบัตินพระสุ ป, ปฏิปันโนแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ทําอะไรที่เกิดกุศลก็ได้ใช่ไหมครับพระอาก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ของแถมเท่านั้นเอง ถ้าไปทํากับพระแท้ก็ได้ธรรมะเป็นของแถมถ้าไปทํากับโรงพยาบาลก็จะได้วิธีรักษาโรคไปคุยกับหมอหมอก็จะบอกวิธีรักษาสุขภาพให้ทําอย่างไรก็จะได้ของแถมไม่เหมือนกันแต่บุญที่ทําได้เท่ากันบุญที่เกิดจากการบริจาคทรัพย์นี้ได้เท่ากันแต่บุญที่เกิดจากการได้รับฟังธรรมได้รับคำค ำ, คำพูดจากผู้ที่เราไปทํานี่มันไม่เหมือนกัน ไปคุยกับหมอหมอเขก็จะพูดเรื่องรักษาพยาบาลไปคุยกับพระพระก็จะพูดเรื่องธรรมะที่มาที่นไม่ได้พูดเรื่องรักษาพยาบาลเลยนะพูดแต่เรื่องธรรมะท่านก็กลับไปเป็นทําบุญแล้วก็ไปเลยไม่ฟังเลยก็ก็ไม่ได้ของแถมเช่นใส่าบาตรเสร็จก็ไปแล้วเรื่องมาถวายของเสร็จก็ไปแล้วเขาก็ได้บุญที่เกิดจากการบริจาคแต่เขาไม่ได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมไม่ได้ทํากลับไป หมกครับ อ, อ, อ, อาจาอยถ้าวันหนึ่งเรามีเหตุจำเป็นต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เราต้องพบเจอบุคคลคนหนึ่งที่เราเราอาจจะรู้สึกเคยทุกข์ใจกับเขามาเราจะมีอุบายวางใจยังไงคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรานิ่งพอถ้าวางถ้า ม, มันมีสองวิธีไงวิธงีง่ายๆก็พูดโทไป เจอหน้าของพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรวิธีที่สองก็ใช้ปัญญาจะใช้เมตตาก็ได้ให้อภัยเขาไปหรือใช้ปัญญาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นกล้วยเราอยาไปเปลี่ยนให้เขเป็นส้มไม่ได้ถ้าเจอกล้วยก็ต้องหัดกินกล้วยไปอย่าไปอยากกินส้มถ้าไปเจอส้มก็อย่าไปอยากกินกล้วยเจอส้มก็กินส้มเจอกล้วยก็กินกล้วย แต่คนแบบนี้ก็เอาแบบนี้ละเพราะเป็นแบบนี้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็วางเฉยอ่าวางเฉยได้ยอมรับกับความเป็นจริงของเขาอย่าไปอยากไปเปลี่ยนเขาหรืออย่าอยากไปหนีจากเขาถ้าเราหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับเขาไปถ้าทําใจไม่ได้ก็ใช้พุโทโธช่วยพุโทธโทธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ทําใจได้หมดแนละ้วใช่ไหมหรื<ข>อถ้ า, าถ้ายิ่งดีพยายามนักเขาให้ได้ยิ่งดี ถ้านรักเขาได้ป๊อกก็จะไม่อยากจะจากเขาแนละ้วอยากจะอยู่ใกล้เขาแนละ้ว <c oughs> อ่าคำถามสุดท้ายครับแต่คุณสุทธิพง์นะครับตอนเรานั่งสมาธิเวลาพุโทโธเราควรจะจดจ่อกับพุโทโธไม่ให้ความคิดเข้ามาหรือว่าจะระลึกรู้แบบกลางๆเพื่อให้เราผ่อนคลายซึ่งความคิดอาจจะมีเล็ดลอดเข้ามาได้แต่ให้รู้ว่าคิดควรจะจดจ่อกับพุโทโธซึ่งอาจจะทาให้เครียดหรือว่า รู้ว่าพุโทโธโดยไม่ต้องจดจอ่อแต่อาจจะมีลืมพุโทโธไปบ้างครับเป้าหมายที่ที่ที่เราต้องการก็คือให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุโทโธได้อย่างเดียวจิตก็จะสงบมากแต่ถ้าอยู่กับเรื่องอื่นมันก็จะไม่สงบเท่าที่ควรเห้นตอนตอน้ตนก็ทําไปตามกําลังของเรากัใหม่ๆก็พุโทโธบ้างคิดบ้างสลับกันไปเพราะกําลังสติของเรายังไม่สามารถดึงใจให้อยู่กับพุโทโธได้เพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือต้องการให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็จะสงบใ น, ในการปฏิบัตินี่มันเป็นไปไม่ได้เบื้องต้นกับพุโทโธสองสาก็ไปแล้วพอรู้สติว่าไปแล้วก็ดึงกลับมาใหม่กลับมาพุโทโธใหม่ก็ทําททำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องแล้วจิตมันก็จะรวมแล้วก็จะได้เห็นผลที่ดีที่เกิดจากการรวมของจิต